แถบแถบนั่ น, นข้างๆเสียงดังเมื่อคืนหลายครั้งอีกต่างหากนานอีกต่างหากฟ้าร้องอยู่ในดงไม่เหมือนอยู่กลางท้องนานะถ้าฟ้าร้องฟ้าผ่าอยู่กลางท้องนานี่มันดังแหบๆมันดังเสียงไม่ไม่จางแต่ปังลักษณะอย่างนั้ น, นแต่มันดังอยู่ในกลางตรงไม่ใช่ดังอย่างนั้นนะดัง <c oughs> ดังเหมือนกับฟ้าถล่มแล้ว <c oughs>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 รู้ว่าเป็นใครตัวเองก็อยู่ลาบากเลยเพอเพอๆลยฆ่าตัวเองตายก็มีเพื่อหนีโทษที่พวกเราได้ยินได้เห็ น, น, ะนะจากนั้นก็หนีหัวสุกหัวสูลไม่รู้หนีไปไหนก็าไม่รู้นะนะจะอยู่ดีกินดีอยู่ดีมีสุขคงไม่มีทางนคนหนีทุกหนีโทษหนีคุกหนีตารางถึงจะฉุกอย่างไรเมื่อก็มีทุกอยู่ในใจนะนะตะกิตตะขวงมีทุกอยู่ในใจอยู่ตลอด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 ก็ต้องตกนรกไปใช้กรรมในนรกอสุดแท้แต่บาปกรรมตัวไหนจะให้ผลอย่างไรมันมีอละเอียดยิ่งกว่าคุกเมืองมนุษย์อีกอย่างใครทําโทษหนักคุกเมืองมนุษย์เขาก็ไปขังคุกมืดนเียขังคุกเดียวขังคุกมืดอย่างเนี้ยี่แปลว่าทําโทษหนักจากนั้นก็โทษประหารเขาก็ขังคุกอยู่คนเดียวออกมาเขาใส่ส่วตวนอย่าง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 กรรมมันออกมาจากใจใจเท่านั้นทำความดีจึงจะล้างกรรมตัวเองได้จะไปล้างภายนอกนล้างไม่ได้หรอกมันต้องดูที่ใจให้ดูเจ้าของมันดูเจ้าของคือดูตนเองให้มองดูตนเองเราทาอะไรไปเดี๋ยวนี้ใจของเราคิดอะไรเมื่อคิดออกไปแล้วการกระทามันเป็นยังไงและกัการพูดของเรามันเป็นยังไง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 อย่าพยาบาทปองร้ายเขาเอออย่าเห็นผิดจากทำนองครองทำอย่าไปเห็นว่าความชั่วนะอย่าว่ามันดีนะความดีอย่าไปคิดว่ามันชั่วนะชั่วคือชั่วดีคือดีไฟคือไฟน้ำคือน้ำเน อ, อน้ำก็คือน้าไฟก็คือไฟน้ำร้อนหรือน้ำเย็นไฟอะไรสิ่งเหล่านี้ก็คือแนวความคิดคือกรรมคือการกระทำเหมือนกันการกระทาทาได้สามทาง